วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลหลวงพ่อได้มาพบมาเจอกับคณะรัททายญาติโยมลูกหลานปีนี้ก็มีครั้งหนึ่งปีก่อนกับปีรับครั้งแต่ปีนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่13มีนา53หลวงพ่อเองก็มีธุระการงาน <c oughs> อยู่ในวัดก็อย่างว่านั่นแหละกว่านที่จะมาพบคณะสัตยาติยมลูกหลานได้ก็ปรีดตัวมาพอสมควรพระยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหนก็ยุ่งยากที่นั่นแหละแต่พะมีภาระทุระพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนหลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็ไม่น่าจะผิดบาง้นเถอะใครอยู่ที่ไหนก็ภาระกิจทุระภาระอย่างหลวงพ่อนี่ยก็ เป็นหัวหน้าวัดเป็นหัวหน้ากลุ่มอยู่ที่นั่นก็ยุ่งยากพอสมควรแต่จะจะปลี่ยตัวมาพบคณะสัตยาติโยมลูกหลานก็ใช่เวลาคิดพอสมควรเหมือนกันอต่แต่วันนี้ก็ได้มาพบลูกภบหลานคณะสัตยาติโยมหลวงพ่อมาพบแล้วก็รู้สึกอบอุน่นเห็นคณะพวกเราท่านทั้งหลายไมาสายบาทพระสงฆ์ก็ยัง มองว่าพระพุทธศาสนาของเรานี่ยังเป็นที่อบอุ่นเ อ, อยังมีผู้สนใจอย่างหลวงพ่อไปอินโดนีเซียเมื่อคราวที่แล้วนไปเห็นชาวพี่น้องอินโดนีเซียไปเห็นที่นั่นก็อุ่นใจอีกเหมือนกันเออแต่ต่อไปพุทธศาสนาเนี่ยก็คงจะขยายต่างประเทศอีกเหมือนกันเพราะบางครั้งคนที่ไม่เห็นคุณค่า มันก็คงจะลดถอยลงไปในเมื่อเราเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็ ง, งอกเงยขึ้นมาอีกสรุปแล้วก็คือพุทธศาสนาของเราพวกเราที่นับถือเนี่ยเป็นศาสนาเหตุผลพูดอย่างนั้นได้พุทธศาสนาคือศาสนาเหตุผลคือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักเหตุผลตั้งแต่ให้ทานพระพุทธเจ้าสอนให้ทาน รักษาศีลภาวนาทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานการเสียสละเนี่ยเป็นการสิ้นเปลืองเงินคำทรัพสมบัติที่พวกเราหามาด้วยความยากลำบากทำไมเราจรึงให้เสียสละไม่ใช่เสียสละคำนี้มั น, ม, นมันทุกระดับคนอย่างหลวงพ่อก็น่าสะทายญาติโยมเอาจติตปัจจัยมาถวายกะถินผ้าป่า คณะสงฆ์หรือหลวงพ่อเองก็ได้ทําบุญออกไปอีกให้โรงพยาบาลให้โรงร่าโรงเรียนให้เครื่องมือแพทย์อย่างเนี้ยหลวงพ่อเองหรือคณะสงฆ์เองก็ไม่ได้เก็บอย่างที่หลวงตาที่ท่านได้ประ ก, กาศให้แก่คณะท า, าญาิโยมทําไมก็เพราะว่าการเสียสละเนี่ยในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์บอกว่าผู้ใดก็ตามไปอยู่ในชุมชนไหนก็ตามเกิดในยุคใดสมัยใดก็ตาม ถ้าคนยุคนั้นสมัยนั้นเห็นแก่ตัวขี้ตะนีทีเหนียวไม่ยอมแบ่งปันให้แก่ใครโลกในยุคนั้นจะหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะว่าผู้มีอำนาจก็เอามายึดครองทั้งหมดผู้มีอำนาจน้อยผู้ไม่มีกําลังพอที่จะมาแย่งชิงก็มีแต่หิวโหวยผลในสุดก็ไม่มีทางออกก็นี่แหละลักขโมยปล้นอี้มีอะไรมากมายที่มนุษย์จะต้องทากัน ผลที่สุดโลกในยุคนั้นก็หาความสงบไม่ได้วุ่นวายไปหมดแต่มนุษย์อยู่ด้วยกันมีการเสียสละผู้ที่มั่งมีสีสุขกว่าก็ดูคนที่ยากจนกว่าเราควรจะเฉลือเผื่อแผลอย่างไงควรจะให้แบ่งปันอย่างไรกับผู้ที่ด้อยกว่าอย่างพ่อแม่เนี่ยก็ต้องแบ่งปันให้ลูกลูกให้หลานแล้วก็ให้สัตว์สาลาสิง พวกแมวพวกหมาเราก็ต้องเสียสละให้แก่เขาถ้าเราไม่ยอมแบ่งปันให้แก่ใครเขาจะอยู่กับเราได้เหรอในเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชรลาเราเป็นลูกเป็นหลานที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาเราก็ตอบแทนบุญคุณของท่านแปลว่าเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนได้เลี้ยงดูเรามาจนเราเติบใหญ่ขนาดนี้เราคิด ย้อนหลังดูว่าพ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรายากลำบากขนาดไหนเราให้ดูเด็กๆ ก, ก็แล้วกันเราเคยเป็นเด็กอย่างนั้นไหมถ้าเราเคยเป็นเด็กอย่างนั้นพ่อแม่ก็เคยเลี้ยงเรามาอย่างนั้นนะในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราทำไมจึงไม่ลําลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านเลี้ยงดูเรามาเนี่ยอันนี้ก็คือการแบ่งปันเหมือนกันการเสียสละให้แก่พ่อแม่เพราะนั้นการแบ่งปัน หรือว่าการเสียสละในหลักของพุทธศาสนานี่มีมากมายอย่างพวกเราได้ศึกษาดูแล้วไม่ใช่ว่ามีแต่ทำทานควักเงินในกระเป๋าออกมาทำทานเท่านั้นไม่ใช่อันนั้นก็คืออันนึงในการเสียสละอาภิษฐานอภัยทานก็คือมีการล่วงเกินกันกล่าวว่ากันก็ให้อภัยกันแนวอภัยทานแล้วก็ให้วิทยาทานก็คือแนะนำสั่งสอน วิชาอาชีพให้แก่เขา เ, เขาไม่รู้จักวิธีทำมาหาเลี้ยงชีพเราก็แนะนําเขาอันนี้ก็วิทยาทานเอ่สอนวิธีตัดเย็บให้เขาบางสอนวิธีขับรถให้เขาบังสอนวิธีทำมาหาเลี้ยงชีพทํามาค้าขายให้เขาบังอันนี้เป็นวิทยาทานอย่างหลวงพ่อให้แนวความคิดต่างๆว่าลูกหลานอย่าทําอย่างนั้นนะมันไม่ถูกนะให้เคารพปิดามารดานะ มันดาบิดาของเราพ่อแม่ก็งเราเป็นผู้มีพระคุณนะ่ะเป็นบุพภ ก, การีนะ่ะอันนี้หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนนี้เดี๋ว่าทำมาทานคือให้ทำเป็นทานให้ชี้แนวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็เป็นทานอีกเหมือนกันเพราะท่านทานมีหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะให้เป็นผู้เสียสล ะ, ะผู้ที่จะทําอันไหนหน้าที่อะไรได้ก็ให้ช่วยๆกันเสียสละ เท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ทั้งหมดเราส่อแสวงหาเรารู้จักแบ่งปันให้รู้จักให้ความรู้ให้รู้จักผู้ที่มาเกี่ยวข้องถ้าโลกทั้งโลกมีน้ําใจต่อกันโลกทั้งโลดโลกจะร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือฐานศีลก็คือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยอก่อนที่จะทําอันไรออกไปเราต้องคิดซะก่อนอย่าไปให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นการกระทําอะไรมันเบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ดี ่การพูดจึงในก็ตามพูดแล้วเบียดเบียนตนและผู้อื่นก็ไม่ดีเพราะนั้นให้สัมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสิงส่วนสมาธิคือพระพุทธเจ้าบอกให้สัมรวมใจของตอนเองอย่าไปปรุงฟุง้งซ่านแตคนที่ปุงฟุง้งซ่านพวกเรามองเห็นได้ชัดๆก็คือคนกินเหล้าใช่ไหมถ้าคนกินเหล้าเข้าไปเนี่ยปุงฟุง้งซ่านเน่พวกเราเห็นเลยขาดสติและจากนั้นคนคิดมากคนปุงฟุ้งซ่านมากๆ คนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็คือคนขาดสติพราะพูดุทธเจ้าจึงให้ภาวนาให้ภาวนาก็คือให้ตั้งกรรมฐานขึ้นมาแล้วกรรมฐานนี่เเพราะว่ากรรมฐานพวกเราก็จะงงอีกเหมือนกันแต่ตามไม่จริงให้ตั้งสติสัมปชัญญะให้มีสติอยู่กับตัวเองอย่าไปคิดออกไปข้างนอกถ้าคิดออกไปข้างนอกมันปุ่งฟุงซ่านแลวสติขาดสติแตกแก อันนั้นคนคนนั้นจะเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมนุษยชาติทั้งหลายจะร่มเย็นเป็นสุขได้ลูกหลานทั้งหลายสัตยาญาติโยมทั้งหลายต้องเป็นผู้มีทานและก็มีศีลและก็มีภาวนาภาวนาก็ยังไงตั้งสติสัมปชัญญะนี่แหละคือภาวนานะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีแต่โลภโกรธหลงอย่างเดียวนะเดือดร้อนวุ่นวายนะ มีแต่เพ่งนอกอย่างเดียวเออมีแต่เพ่งคนนั้นผิดคนนั้นถูกคนนั้นถูกคนนั้นผิดโดยมากมันจะเพ่งแต่คนอื่นผิดอยู่เสมอตัวเองจะเป็นผู้ถูกเพราะนั้นอะเพราะนั้นพวกเราจะไปเพ่งนอกถ้าเพ่งนอกแล้วมันเดือดร้อนนะเผลอๆแล้วมันกรรมที่กระทํานั้นมันจะย้อนมาหาตัวเองเออกรรมมุนินาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมปิดไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้แล้วนะอากตังลูกตังเซโย บัชาปตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญและให้ผลเราเมื่อภายหลังเพราะนั้นกรรมชั่วย่าทำานี่หลวงพ่อเอานิทานสาธกไม้ลูกหลานได้ฟังนิทานนีเป็นนิทานอาของประเทศพมา่าเขาว่างั้นนะามาในธรรมมาจากสุใครข่าว่านิทานอิศกอย่างนั้นละ่ะแต่ตามไม่จริงกนหน้าคิดนะ ให้คล้ายว่าโลกแล้วก็อิจฉาไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำนี่ฐานเรื่องนี้นะลูกหลานทั้งหลายฟังดูสิว่าหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังเนะอมียายมีครอบครัวหนึ่งเหมือนกันมีลูกชายคนเดียวลูกชายหัวแก้วหัวแหวนต่อมาก็เลี้ยงลูกชายพ่อก็มาตาย พอพ่อตายแล้วก็ยังเหลือแต่ลูกชายมีแต่แม่กับลูกอยู่ด้วยกันต่อมากับแม่ก็เห็นว่าเออลูกเป็นหนุ่มแล้วแต่ไปทำไร่ทำนานเสร็จแล้วก็มาตักน้อที่แม่ทำไม่ได้หนักลูกชายก็มาช่วยงานบ้านผู้แม่ก็เลยบอกเออน่าจะหาลูกสะภ้ยตระกูลเสมอกันมาเป็นสะภ้ายก็จะดีก็เลยไปบอกกับญาติพี่น้องเขาก็เลย คนตระกูลเสมอกันไปแต่งงานแต่นี่หนุม่น ม, มนี่ก็ได้อได้แฟนมาเหมือนกันแม่ย่าเนี่ยก็ได้สะพ้ายมาเหมือนกันก็มาอยู่ด้วยกันสามชีวิตแต้ใหม่ใหม่ก็ดีเลยสะพายกับแม่ยา่ า, ยกยาก็ดีเข้ากันได้ดีต่อมาก็เพ่งนอกอย่างที่หลวงพ่อพูดน่ะเอมันเพ่งนอกพราเพ่งนอกเราส่งจิตออกไปข้างนอกเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้มันมีอะไรทีนี้ยละวแคะละคายกันเนี่ย เออเพราะมันทำางานเหนื่อยขึ้นมาแล้วก็เพ่งนอกว่าือนกนเถอะเพ่งโทษแม่ย่าเนเออถูกสะพ้ยก็เนี่ยตำข้าวขึ้นมาเสร็จแล้วนึ่งข้าวเสร็จแล้วทั้งที่จะเอามากินแล้วก็เท่านั้นยังแบ่งให้หมาให้หมูกินอีกข้าวที่เราตามาเพลเพยังแบ่งให้แมวให้นกกินอีกเออกหวัดให้นกยีด ก, กินอีกจะไหวเลือแม่ย่าเนี่ยธรรมดาคนแก่ก็ต้องมีเมตตามือนนเถอะเออ แต่เมื่อถูกกันก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อมันผิดกันเนะ่ะมันไม่พอใจขึ้นมาเลยอะไรมันผิดหมดวะงั้นเนถะอะลูกสะพ้ยเนี่ยก่อจับผิดแม่ย่ามาตลอดท่เไอผลในสุดเมืันทวีคูณขึ้นเรื่อยเรื่อยเรยจากนั้นก็ไปอสับสอถึงแฟนของตนเองสามีของตนเองเลยโอ้ยค่อยอยู่กับเจ้าไม่ได้หรอกดูสิแม่ย่านะมีแต่ คำหวานข้าวอะไรให้นกให้อะไรกินก็ไม่รู้ทั้งที่ข้าวมันก็ใหม่มากตําก็ยากอีกต่างหากเอเจ้ารู้ซิเอ า, า, เอาอยัางไงเนี่ย เ, เพ้อเพอดูถูกแม่ย่าอีกอไม่ไม่ได้เรียกแม่ ย, าย่าได้แต่เรียกว่ายายผมขาวว่ยายางหนังเหี่ยวกันเต่ที่นี่ยายหนังเหี่ยวยายผมขาวเนี่ยเห็นไหมดูสิทั้งผู้ผัวเนี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอันหนึ่งก็แม่อันหนึ่งก็เมียถึงวันหนึ่งเมียก็เลยยื่นโนติต็ดเดีวยวกันเถะ เจ้าจะเอาเมียหรือเจ้าจะเอาแม่นกันถ้าเจ้าจะเอาแม่ค่อยจะหนีเหมือนกันทางผู้ผัวเอาจะเอาอยัางไงก็เลยบอกกับแฟนว่าจะให้พี่ทํำยังไงยอดที่ลักมาเด้แฟนก็เลยบอกว่าจะไปยากอะไรอเราชวนไปในป่าอเสร็จแล้วก็เราก็มัดใส่ต้นไม้ซะมัดปา่าซะมัดใส่ต้นไม้ซะ จากนั้นเสือก็มากินแล้วก็จบเท่านั้นแล้วสมัยก่อนเสือมากใช่ไหมละ่ะเอ อ, เ อ, อใช่อย่างนั้นก็ได้อยงนั้นอะตกลงอย่างนั้นเถอ ะ, ะเอ้ยสองสาปีภรรยาก็ตกลงกันจากนั้นก็ชวนแม่ย่าเอ้ยแม่ไปหาเก็บเห็ดในปา่าเถอะวะแม่ก็อยากจะเข้าป่าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะท่านเคยเป็นคนปา่าคนรงก็เลยชวนแม่ย่าไปแม่ย่าก็ไปยินดีไปอย่างนั้นอะพ่อไปเข้าไปป่ารงพงไพที่ไหนได้เขาสองคนก็วางแผนอย่างนั้นอะ เขาก็จับมัดยายแก่ใส่ต้นไม้ไว้มัดปากเวทอีกต่างหากแท้เลยเพื่อจะให้เสือกินถ้าจะฆ่าก็คือทารุณเกินไปเราะงั้นให้เสือฆ่าเองเดีวยวกันทัดพรอที่สุดก็เลยมัดเจตนายสองคนนั้นเขาก็กลับบ้านพอสองสามีกลับบ้านมาแล้วก็คอยฟังเลอมันจะเป็นยังไงแต่พอตกตอนข้ามข้ามมาเสือมันก็ออกหากินเลยแี่นี่มันถูกกลิ่นมามันก็ร้องเมาวาววุวม่มก็เมากัน โอ้ยายนี่จะพอแรงเหมือนกันเถอะเออเขามัดปากไวนะ้น่ะพอนี้สุดเสือก็เห็นเสือคล้องเห็นกระโจนเข้ามาฮะกระโจนเข้ามาเพื่อจะมากินยายแก่เหมือนกันะลูกข่าเทวดาอยู่ต้นไม้เห็นเออลูกขาก่านปรากฏหยุดก่อนเสือเหมนกันเ อ, อ่อ ม, มากินไม่ได้เนะยเราทดสอบดูก่อนว่ายายคนนี้เป็นคนมีศีลมีธรรมไหมถ้ายายเป็นคนมีศีลมีธรรมแล้ว ถ้าว่าแก่กินคนที่มีศีลธรรมเหล่แก่จะมีบาปกรรมติดพพติดชาติไปนานทีเดียวนะเสือนะเออแต่ยายไม่เห็นลูกคะเทวดาเห็นแต่เสือโอ้หน่ากลัวงั้นเ่ะแต่เสือมันวิ่งมามันจุดจึกว่างั้นเ่อะเออทีนี้ก็ยดศก่อนนะเสือเออจากนั้นเทวดาข่าจะทดลองดูก่อนว่ายายเนี่เป็นผู้มีศีลมีธรรมไหมจากนั้นเขาก็เอาขนนก่างั้นเ่อะปีกนกนะขนปีกนกอนะ แยงเข้าจมูกแยงเข้าจมูกใหญ่เหอนพอแยงเข้าไปยายก็จามเลยใช่ไหมเอาขนแยงเข้าจมูกอพอแยงเข้าไปอัจฉริพุทโทธธรรมโมสังโฆแยงเข้าไปอีกทีสองอัจฉริพุทโทธธรมโมสังโฆแยงเข้าที่ไรก็มีแต่พุทโธธรมโมสังโฆพอยายเป็นคนวัดคนว่าใช่ไหมคนศิลปคนธรรมใช่มีเมตตาใช่ไหมล่ะขนาด อพวกหมาแมวนกอะไรอยู่ใกล้ยายก็ยังแบ่งให้กินใช่ไหมคนคนฉินธรรมต้องเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ก็เทวดาก็บอกเสือแต่เอ้ยกินไม่ได้นะไปยายแก่คนนี้เป็นคนมีศีลธรรมถ้าขืนกินเข้าไปเนี่ยเธนตกนรกหมกไหมไม่มีวันเกิดแล้วยศไปหากินอันที่อื่นเสือแต่นั้นก็เลยออกไปหากินที่อื่นว่างั้นเถอพอไปหากินที่อื่นเสร็จแล้ว ยายนะก็เหนื่อยแล้วก็นอนแลนะ้วกันนอนไม่ได้แล้วพอหลุดมาเทียวดาคงจะแก้เชือกใขมั่งพอแก้เชือกเสร็จแล้วก็ตแต่แกก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นแต่หาย ห, หายทอ ง, องนั้นนยอยู่ใต้ตีนตแต่แกก็ไปเปิดโอ้อันนี้เป็นทองคำในตัวเนี้มาซาทุสาธุาทุแต่แกก็จากนั้นแต่แกก็เดินออกมากใส่แแบขายเงินแแบขายทองออกมาใส่บาทแล้วออกมา ฆ่าไม่ไปหาแล้วลูกชายถ้าคืนไปหาลูกชายมันคงจะฆ่าเราอีกมันแต่แกก็เลยไปหาญาติพี่น้องอยู่ไกลบ้านไกลที่สุดเพรางั้นอ่ะเออที่ไปเนื้อเชื่อใจได้แต่แกก็เลยไปสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาไอ้ลูกชายกับลูกสะพ้นี่ก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเงียบก็ไม่เห็นอะไรพอในโสก็เลยไปดูดูก็ไม่เห็นมีอะไรหายไปเลยไอ้มันหายไปที่ไหนเสือคงจะฆ่าไปกินที่อื่นมั่ง ต่อมาได้ยินข่าวว่ายายนไปอยู่แล้วก็สร้างบ้านสร้างอะไรขึ้นมาคนก็บอกเนี่ยมียายแก่คนหนึ่งได้ไหาทองมาเนี่ยก็มาขายอยู่ขายกินกับญาติพี่น้องเนี่ยเขาเป็นคนรวยมากเลยแต่ที่สองสามีภรรยาเนี่ยก็ลูกกับสะพ้ยเนี่ยเอ๊ะมันเป็นใครวะไม่ใช่ย่าหรือพอไปดูดโอ้ใช่จริงๆใช่ย่าจริงๆเท่เนี่ก็เลยบอกอทําไมเขาจึงรวยก็ได้สืบสอบว่า พอเขาได้หทองเขาไปมัดเสษต้นไม้ต้นนั้นก็เลยพูดกับสามีถึงเอ้ยให้เจ้บไปมัดเราไว้ที่ต้นไม้อย่างเก่าเหมือนกับแม่ย่านะวะอเราจะได้รวยกับเหมือนกับแม่ย่าสามีเนี่ยก็อยากจะรวยเหมือนกันเหมือนกันเถอเพราะว่าแม่แม่รวยแล้วเลยเอาเมียตัวเองไปมัดเศษต้นไม้อย่างเก่าเหมอนกมัดเสษต้นไม้ต้นเก่านั่นมัดอย่างเก่านั่งอ่ะ พอเสร็จแล้วสามีก็กลับมาบ้านพอตกตอนเย็นมาเสือก็มาอีกอย่างเก่าเหมืนกันลูกคะเทวดาก็ห้ามอีกแต่นี่เอาเอาขนนกแยงเข้าจมูกที่นี่ลูกสะภ้ายเหมือนกันพอแยงเขา้าจมูกก็จามอย่างที่ว่าฮัตชัยวันนี้เอให้เงินให้ทองอยู่ไหนผมมาเด็ก เ, เพราะมันมันคิดแต่ให้เงินให้ทองเหมือนกันเพราะมีความโลภเนี่อความโลภอยู่ในใจมันไม่ใช่คิดถึงพุโทโธธ ร, รมโมสังโฆเหมือนกับยายแก่เหมือนกันย อยายแก่คนมีศีลมีธรรมแต่แยายนี่มีแต่ความโลภในใจมีแต่ความอิจฉาในใจงนั้นแยงก็จะอะไรฮัดชอยไหทองอยู่ไหนโอ้อีกพราะวทราบข่าวว่าแม่ย่าได้ไหาทองใช่ไหมล่ะแยงที่อะไรมีแต่หทองอยู่ตลอดลูกขะเทวดาก็บุ้ยบากเลยคนนี้มีแต่ความโลภไม่ใช่คนศีลธรรมเอาเสือกินได้ไหมเสือก็เลยคำมัม่งซะกินซะเออกินลูกสะใภ้ย่างนั้น อพอกินเสร็จแล้วก็เห็นที่ตอนอีกวันสองวันผัวก็ไปดูเห็นแต่กองกระดูกเมียวกันผัวก็เลยเสียอกเสียใจว่างั้นเถอะไม่ได้ทั้งทรัพย์เมียก็ตายว่างั้นเลยแม่ก็เสียทีนี่เนี่ยแต่วันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้รู้จักบุญคุณของบิดามารดาท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะตอบบุญคุณท่านยังไง ยายแก่ถึงยังไงท่านก็เป็นผู้มีเมตตาเราต้องรู้มองท่านในแง่เหตุผลอย่าไปมองกันในแง่ร้ายมองกันด้วยแง่เมตตาท่านได้เลี้ยงดูเรามาท่านทําผิดบ้างถูกบ้างนิดๆหน่อยๆพวกเราเป็นในฐานะลูกหลานคงจะยวนเหมือน ก, กันเถ อ, ะ, อะเพราะว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่าไปต่อล่อต่อเถียงท่าน เวลาท่านจะดุดาบ้าเกาวอย่างไรพวกเราในฐานะลูกก็ให้ฟังเอาไว้ออย่าไปเถียงพ่อเถียงแม่ถ้าเถียงแม่ไม่ดีนะเว้นเสียจะเกินไปแล้วก็เออบอกบอกแม่แม่เกินไปแล้วเลือกให้คนอื่นเตือนให้ก็ได้นะนี่แหละอันนี้คือลูกที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นอแล้วก็ให้พวกเรามีศีลมีธรรมนั่นแหละให้ระ ล, ลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาเพราะชีวิตของพวกเราหลวงพ่อเคยเตือนไมาอยู่เสมอว่า ไม่ยาวนะลูกหลานนะออไม่ยาวนะไม่ถึงร้อยปีนะพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านไปศึกษาไปค้นคว้าดูแล้วตายแล้วไม่สู่นะตายแล้วเกิดอีกนะในร่างกายของเรามีสองอย่างคือรูปธ ร, รรมและนามธรรมรูปธรรมก็คื อ, คอร่างกายนามธรรมนั่นก็คือใจเ อ, อถ้าเปรียบเทียบไปเห็นชัดเจนก็เหมือนรถกับคนขับรถนะอ่า รถเนี่ยคือร่างกายคนขับรถคือใจอาศัยกันอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นรถเนี่ยมันก็ต้องแตกแต่คนขับรถออกจากรถไปไปซื้อรถคันอื่นอีกแต่คนขับรถนี่ไม่ตายเพราะพระเดียกยาศึกษาเลยแล้วไม่ตายคนขับรถไปปฏิสนธิแต่ว่าคนขับรถเนี่ขี้เกียจไหมขณะที่มีรถอยู่พอมีรถขึ้นมาแล้วก็มีแต่กินเหล้าเมายาเที่ยวสัมมาเลเทเมาทําความชั่วไปหมด พอรถคันนี้พังคนขับรถนั่นจะหาเงินได้ที่ไหนไปซื้อรถคันอื่นอีกคนรถคันนั้นก็ต้องตกทุกข์ระยากแน่นอนเพราะเห็ุไรเพราะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจในการหาทุนนะครับนี่ก็เหมือนกันน่ะพวกเรามีร่างกายขึ้นมาแล้วไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่ได้ดูแลบิดามารดาไม่ได้ให้ทานรักษาศีลภาวนามีแต่เที่ยวกินเป็นวันวันวันวันวัน ว, น ว, นวนไปแล้วก็จบไป แล้วเมื่อถึงข่าวจุดจบเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราจะระ ล, ลึกอะไรเรามีอะไรที่จะเป็นที่รองรับเราบุญกุศลที่เราไม่ได้เตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายคิดให้ดีนะจุดนี้นะให้ศึกษาให้ศึกษาเรื่องศีลธรรมเนีศึกษาธรรมะบัง่งศึกษาในพระไตรปิฎกบังศึกษาในแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนาําสั่งสอนให้ศึกษาธรรมะพูดสรุปแล้วแนวทางปฏิบัติ มีครูบาอาจารย์ท่านเจเนตะจากนั้นเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกลูกหลานทั้งหลายคณะญาติญาติโยมทั้งหลายก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจเ อ, อถึงข่าวจุดจบของข้าพเจ้าแล้วเหรอถึงจุดจบแล้วข้าพเจ้าไปแล้วเหรอข้าวนี้ชีวิตของข้าพเจ้าจบเพียงแค่นี้เหรอ อ, อบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํามา ตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันสุดท้ายในบุญกุศลขอให้มาช่วยข้าพระเจ้าด้วยเทินนะบุญกุศลก็จะวิ่งเข้ามาประคองจิตใจของเราไปสู่สุขคติวรชั้นฟ้าและไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีแต่ความสุขความเจริญเพราะบุญกุศลช่วยนะแต่ถ้าเราไม่มีบุญกุศลนะบาปอักุศลเข้ามาช่วยแล้วมีแต่การตกต่ำนะตกต่ําไปในทางชั่วเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะ้อ ให้สังสงครูงงามความดีวันนี้พวกเราก็ได้มาทำบุญนะวันนี้ทำบุญกับครูบาอาจารย์และก็หลวงพ่อก็ได้ให้แนวความคิดมากมายหลายอย่างก็ขอให้พวกเราได้นาไปคิดนาไปศึกษานาไปประพฤติปฏิบัติถ้าพวกเราได้ฟังนิทานอย่างนี้ก็คงจะเป็นแนวความคิดอย่างหนึง่งแต่นิทานเป็นเรื่องจริงไหมเราก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้น อาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้แต่เป็นนิทานเป็นแนวความคิดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นคตเนิเตือนตัวอย่างก็แล้วกันคนที่มีความโลภเป็นเป็นยังไงมีแต่ความหายยนะไปอยู่ใกล้ใครใครก็เดือดร้อนทั้งหมดคนก็โลภนะถ้าคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีไปอยู่ใกล้ใครมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุกไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่แหละศีลธรรมของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ออ มีความรู้คู่คุณธรรมตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร น, นัต้ินะ